ขอนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปัพพระภุพะสิกขาและภุพะสิกขาวรนน า, นาพระอมาราภิรุิตอาอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของการทําปริปหรือว่าการป้องกันนะเรื่องการทําปริปก็แลในปริปร่า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 อามัฏฐเนี่ยแปลว่าจัต้องอนามัฏฐานแปลว่ายังไม่ได้จับต้องอนามัฏฐาดินทบาทนั้นควรจะพึงให้แก่ใครไม่พึงให้แก่ใครควรจะพึงให้แก่มาดาบิดาเท่านั้นแน่ถึงว่าดินทบาทนั้นราคาสักกหาปนะ ก, กวดีไม่เป็นศัทธาทยะวินิปาตะก็คือไม่ทําให้ศัทธาไทยตกไปคนอุปถากมารดาบิดาเว ย, ยาวัชกรทําการสงปันรุปราชก็คือคนที่กําลังจะบวต แม้คนเหล่านี้ก็พึงให้อนามคตดินทบาทเถิดปันรุป ร, ราชนั้นแม้จะรองภาชนะของตนให้ก็ควรคนนอกนั้นเป็นขัตถะแม้เป็นมารดาบิดาจะรองภาชนะของตนให้ไม่ควรให้บริโภคให้กินในภาชนะของพิกจุนี้ไม่ได้นะจะเป็นบาดสาบาดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นพวกปันรุป ร, ราชพวกหน้าที่กําลังจะบวชอย่างนี้ให้ได้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 ถ้าพวกโจรหรือว่าคนที่เขาเป็นอิสระเป็นใหญ่รบแพ้อะไรมาเข้าวัดแบบนี้ก็ต้องดูแลเขาทําปฏิสันถานไม่อย่างนั้นเขาก็ปล้นวัดทําร้ายภิกษุก็อนแรมปฏิสันถานจะพึงทําแก่ใครไม่พึงทําแก่ใครอันปฏิสันฐานนี้พึงทําแก่คนผู้มาถึงวิหารเข้าแล้วจะเป็นอาคันตุกะควรมาใหม่หรือคนจนหรือโจรหรือคนเป็นอิสระคนใดคนหนึ่งก็ตาม จำจะต้องทำจะพึงทำอย่างไรเห็นคนอคันดุกะเสบียงหมดมาถึงวิหารเข้าพึงให้น้าดื่มให้น้ามันทาเท้าเขามาถึงเข้าในการเช้าพึงให้ข้าวต้มข้าวสวยเขามาถึงในวิการถ้าข้าวสารมีไซพึงให้ข้าวสารย่าพึงกล่าวว่าท่านมาถึงในอันใช่เวลาก็คือมาไม่ถูกเวลาแล้วท่านจงไปเซตเถิดแต่พึงพูดอย่างนี้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 เพื่อจัดกัรไม้ให้ทำลายของสองออ่นในอาศจากถาท่านเล่าเรื่องราภิกสุสงเคราะห์แก่โจรด้วยของสองไว้หลายเรื่องเพื่อจะแสดงอนิสงค์แห่งปฏิสันฐานผู้ประสงค์จะรู้พึงดูเอาเถิดพึงปฏิบัติในปฏิสันถานดังว่ามานี้โจรก็เห็นว่าวัดนี้รวยนะก็เลยจะมาปล้นพระภิกษุก็เลยสั่งให้เอาข้าวเอาเนยใสยน้ำมันเนยข้อนอะไรต่างอาหารที่มี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 มีหมู่พิสูก็ติเตียนกันว่าเนี่ยพระเถรศเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นใหญ่เอาของสงไปเลี้ยงโจรพระเถระก็เลยกล่าวว่าให้ตีราคามาว่าอาหารผ้าของต่างๆที่ไปเลี้ยงโจรเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบติผ้าตำพนผ้าผืนใหญ่ผ้าปูพื้นต่างๆที่รองอยู่ในเสนาสนะเนี่ยผืนหนึ่งหนึ่ ง, งราคาเท่าไหร่นันยังน้อยกว่าผ้าตำพนนี่สมบัติของสงนี่มากมายแต่ว่าโจรเขาไม่ต้นเพราะว่าเขา เห็นอนริสงของการที่ไปดูแลปฏิทันฐานก็ก็เลยคอยดูแลคอยรับส่งป้องกันอันตรายจากพวกเคร์ดหัดที่มาทำบุญที่วัดพวกเคร์ดหัดเหล่านั้นก็เอาอาหาร อ, าอะไรตางให้กับผู้จนเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นคนอารักขาไปเลยข้อหนึ่งอย่านําข่าวสารแห่งเคร์ดหัดข้อหนึ่งอย่าสงเคราะห์ตระกูลด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้เป็นต้นด้วยว่าในวิพัง์แห่งกูและดุสกะสิขาบทจะมีการ ประทุษราชกุลเรียกว่ากูลดุสกะได้อาการแปดอย่างก็คือให้ของนั่นเองให้ดอกไม้อย่างหนึ่งให้ผลไม้อย่างที่สองให้จนลใหญ่ที่สามให้ดินอย่างที่สี่ให้ไม้สีฟันอย่างที่ห้าให้ไม้ไผ่อย่างที่หกทาเวชกรรมอย่างที่เจ็ดแล้วก็นําข่าวสารแก่กระหัตพู้ที่ไม่ใช่ญาติเรียกว่าชังคะเปธนญยะอันนี้ก็เป็นอาการของการประทุระสราสกุลเรียกว่ากูลดุสกะแปดอย่างชื่อว่ากูลดุสกะประทุระสรัสกุล คือทำความเลื่อมสของเขาให้เสียไปด้วยความปฏิบัติชั่วแห่งตนอันหนึ่งผลแห่งทานเขาเสื่อมไปด้วยเวชกรรมธรรมยานั้นเพิ่งรู้ดังกล่าวในก่อนอันหนึ่งโบราณอาจารย์กล่าวว่าหมอดูเริกยามก็ชื่อว่าเวชกรรมด้วยก็สงเคราะห์ด้วยนะโบราณอาจาร ย, บราาารย์บอกว่าดูหมอนี่ดูเริกดูยามอะไรนี้ก็เป็นส่วนของเวชกรรมด้วยจะแสดงชังฆาเปสนิยักก่อน จิกตุรับข่าวสารแห่งกระดับแล้วเดินไปเป็นทุกกฎทุกๆุกย่างก้าแม้ฉันขอที่อาศัยกรรมนั้นได้มาเป็นทุกกฎทุกคําที่กลืนเดิมแม้ไม่รับคําข่าวสารเขาภายหลังคิดว่าที่นี้บ้านนั้นแล้วเอาเถิดเราจะบอกข่าวสารนั้นนั่นแหละแม้แวะออกจากทางเป็นทุกกฎทุกย่างก้าเหมือนกันแม้ฉันของฉันที่ได้เพราะบอกข่าวสารนั้นก็เป็นทุกกฎดังในก่อน ก็แลไม่ได้รับคําสั่งเขามาถึงข่าวเขาก็ถามว่าคนชื่อนี้อยู่ในบ้านนั้นข่าวาวเป็นอะไรบ้างดังนี้จะบอกเขาควรอยู่ปริศนาที่เขาถามบอกไม่มีโทษก็คือถ้าเขาถามเมื่อไหร่เนี่ยเราบอกได้แต่ว่าเราไม่บอกเองก็และจะนําข่าวสารแห่งสาธรรมนิษทั้งห้าและมารดาบิดาก็ดีและปันดุปราชก็คือนาคที่จะบวชและคนวัยยุจิกรของตนก็ดีราวนี้ควรอยู่ถ้านําข่าวสารของพวกชาธรมนิษหรือว่าพวก บรรดาบิดาปรรลุป ร, ปราชายวยวิจกรพวกนี้ไม่เป็นไรและเขาสั่งว่าท่านจงไหวเจดีพระปฏิมาต้นโพพระสังฆเทระตามคำของข้าพเจ้าก็ดีท่านจงให้พิกจุประชุมกันข้าพเจ้าจะให้ทานฟังธรรมก็ดีไม่ข่าวสารเหล่านี้อย่ารังเกียจเลยข่าวสารเหล่านั้นเป็นกัปปิยะไม่ประกอบด้วยกรคำแห่งขัดขัดแล้วก็ไม่เป็นชังคะเตทานิยะไม่เป็นการรับตรงข่าวสารด้วย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 เพื่อเสนาสนะเอาให้ด้วยความเป็นอิสระก็คือถือว่าตนเป็นใหญ่เป็นทุนละใจถ้าเป็นดอกไม้ที่เขา ก, กาหนดไว้เพื่อเสนาสนะก็เสนาสนะนั้นเป็นครุพันเท่ากับว่าเอาของเสนาสนะไปแจกนั่นแหละก็เลยเป็นสุรจัยดอกไม้จะควรให้แก่ใครจะไม่ควรให้แก่ใครควรให้แก่มารดาบิดากรจะเอาไปให้เองหรือว่าให้คนเอาไปให้จะเรียกมาเองหรือว่าให้คนเรียกมาให้ก็ควร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 ติศตุผู้แจกดอกไม้ที่สงสมมุติไว้จะให้ตัวเกลงหนึ่งแก่สามเณรซึ่งมาถึงเข้าในเวลาแจกก็ควรในอัจฉริยะกุรุนทีว่าให้แก่เครดัตเกลงหนึ่งในอัจฉริยะมหาปจจริีก็ว่าให้แต่น้อยก็ควรทิศตุอันตสงไม่ได้สมมุติไว้พึงอัปปโล ก, ก่อจึงให้สามเณรเคารพในอาจารย์อุปชาเก็บดอกไม้มากองไว้พระเถระบอกให้แกะสะ่สัตยิษหาริเป็นต้น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 เขามาในวันซึ่งพิคตุอนุญาตให้ดอกไม้แต่ดอกไม้สัมเนธเก็บไว้เสียแต่เช้าแล้วเขามาไม่เห็นดอกไม้ที่ต้นถามว่าดอกไม้ไปไหนเสียหมดเล่าพิคตูบอกว่าสามเนธเก็บเสียหมดแล้วท่านจงเอาดอกไม้นั้นบูชาเถิดสงจัดบูชาวันอื่นดังนี้เขาจึงเอาดอกไม้นั้นบูชาแล้วจึงถวายทานแล้วก็ไปดังนี้ก็ควรในอัตถามหาปัญจลีและปุรุณทีกล่าวว่า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 ว่าแต่เพียงว่าของนั้นเป็นอัจฉรยะไม่ควรดังนี้เนื้หาอธิษาบอกว่าไม่ควรแต่ว่าเนืหาปัญจรีกุรุนทีบอกว่าไม่ควรแก่ผู้ที่เป็นธรรมกะถึกไปบอกให้ญาติโยมเอาข้าวต้มกระสวยมาบูชารูปเดียวแม้ผลไม้เป็นของตนจะให้แก่มารดาบิดาและญาติอันเศษตามอย่างซึ่งกล่าวแล้วนั้นก็ควรก็แลเมื่อให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 แม้ที่ตุผู้แจกผลไม้ที่สงสมมุติไว้แล้วจะให้ส่วนกึ่งหนึ่งแก่มนุษย์มาถึงเข้าในขณะแจกอยู่แก่สงก็ควรผู้ที่สงไม่ได้สมมติไว้พึงอปโลกรถึงให้แม้ในสังคารามพึงทมกติกากันไว้ด้วยกำหนดผลหรือว่ากาหนดต้นไม้เมื่อคนไข่หรือคนอื่นมาขอผลไม้แต่ส่วนนั้นพึงให้ตีผลห้าผลหรือชี้ต้นไม้นั้นให้ตามกำหนดว่า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 พระวินทรถึงปรับตามธรรมคือวัตถุควรเป็นป่าจิตตีก็ให้ปรับป่าจิตตีวัตถุควรเป็นทุกโ ก, ก, กรก็ให้ปรับทุกโกรยะถาธรรมโมในที่นี้ไม่เหมือนในที่อื่นๆเอาแต่ป่าจิตตีอย่างเดียวในที่นเอาป่าจิตตีอย่างเดียวในวิพัง์แห่งกูละทูสกะคิชา บ, บทว่าปลูกเองหรือให้ผู้อื่นปลูกซึ่งกอไม้รดน้ําเองหรือว่าให้ผู้อื่นรดเก็บเองหรือว่าให้ผู้อื่นเก็บร้อยกลองเองหรือว่าให้ผู้อื่นร้อยกรอง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 ปลูกกอไม้เองและให้ผู้อื่นปลูกพูนขอบเองและให้ผู้อื่นพูนรดน้ําเองและให้ผู้อื่นรดทําคลองให้ตรงไปที่กอไม้และลดด้วยน้ําสิ่งเหล่านี้เป็นอกตัญญะและเทน้ําล้างมือล้างเท้าลงที่กอไม้เหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นอกตัญญะอุหานไม่ควรก็ไม่ควรกล่าวว่าจงรู้ต้นไม้นี้ จงรู้หลุมนี้จงรู้กอไม้นี้จงรู้น้ํำในที่นี้ดังนี้ก็ดีและทําคลองที่แห้งอยู่ให้ตรงทั้งองเปรียกนี้ไม่ได้เป็นอคติยะถ้าคลองที่แห้งอยู่เนี่ยให้ตรงไปที่กอไม้ก็ดีเหล่านี้ชื่อว่ากัปติยะวูหานกล่าวว่าคนฉลาดเขาเพึงปลูกกอไม้เป็นต้นไว้ไม่ช้าก็เป็นไปเพื่ออุปการะดังนี้เป็นต้นชื่อว่าปริยาย ถือจอบเสียมและต้นไม้อ่อนยืนอยู่ชื่อว่าโอภาษด้วยว่ายืนอยู่อย่างนี้สำเนนเป็นต้นได้เห็นแล้วจะคิดว่าพระเถระจะประสงค์ให้ทำแล้วจะมาทำให้อันนี้ก็เป็นโอภาษถึงการประกาศเป็นแสงสวา่างประกาศให้รู้ว่าจะทำอะไรเอาจอบเสียมมีดขวานภาชนะตักน้ำมาวางไว้ในที่ใกล้ชื่อว่านิมิตกรรมก็ทาเป็นที่นิมิตหมายเป็นเครื่องหมาย อาการทั้งห้านี้เมื่อปลูกเพื่อจะสงเคราะห์แก่ตระกูลไม่ควรทั้งสิ้นปลูกเพื่อจะบริโภคผลไม่ควรแต่กับพิยาโอหานถ้าจะปลูกไว้เพื่อสงเคราะห์ตระกูลห้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยมีโทษมีอบัติหมดแต่กับพิยาโหานและอกับพิยาโหานสองอย่างเท่านั้นไม่ควรการปลูกเพื่อบริโภคผลเนี่ยไม่ควรแต่กับพิยาโหานและอกับพิยาโหานพูดตรงตรง ก็ไม่ควรสองอย่างเท่านั้นส่วนอาการสามนอกนั้นควรถ้าจะปลุกรปรภคผนเนี่ยจะใช้ปริยายโอภาสนิมิตกรรมใช้ได้ทั้งนั้นแต่ในอัตถกาถามหาปัจรีกล่าวว่าแม้กับยะโวหารก็ควรถ้พูดโดยถูกต้องนี่นะอาการใดเพื่อจะบริโภคเองก็ควรอาการนั้นแม้เพื่อคนอื่นหรือเจดีหรือว่าของสง แต่ว่าเพื่อสงเนี่ยก็ควรเหมือนกันปลูกเพื่อเป็นที่รื่นรมและเพื่อเป็นหมู่ไม้และเพื่อเป็นเงาอากัศดิยะบูหานอย่างเดียวไม่ควรอย่างอื่นก็ควรหมดใช่แต่เฉะนั้นแม้จะทําคลองให้ตรงไปและรดน้ําเป็นกับปิยะทําซุ้มอาบน้ําและอาบลงก็ดีแม้เทน้ําล้างมือล้างเทา้าและน้ําล้างหน้าลงในกอไม้นั้นก็ดีก็ควรในมหาอัตรกระถาและโกรนทีกล่าวว่า ในแผ่นดินเป็นกับดียะจะปลูกเองเพื่อเป็นที่ร่มก็ควรถ้าเป็นกับดียะหมายถึงใปไม้สูก็คุณได้ก็คือฝนตกจะไม่รถสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนเป็นก้อนกรวดก้อนหินมากก้อนทรายมากดินน้อยแล้วก็เป็นภูเขาที่ผสมกันไม่ใช่ภูเขาดินร่วนนื้นหาปัจจิกริตรีนะก็บอกว่าแผ่นดินที่เป็นกับดียะเนี่ยจะปลูกเองเพื่อเป็นร่มก็ควร ก็แลปลูกเองหรือว่าให้ผู้อื่นปลูกเพื่อเป็นที่รื่อร่มเป็นต้นเป็นผลแล้วแม้จะบริโภคก็ควรตั้งใจว่าจะเอาร่มนะแต่ว่าออกลูกก็ฉันด้วยแหละปลูกกอไม้เองในแผ่นดินที่เป็นอกักขิยะเพื่อกูละดูสกรรมเป็นปาจิตตี ด, ด้วยเพราะว่าไปปลูกในแผ่นดินเป็นอกักขิยะเป็นปาจิตตีขุดดินแล้วก็เป็นทุกกดเพราะว่ากูละดูสกรรมด้วยปลูกด้วยอกักขิยะวุหารก็เหมือนกัน ปลูกเองและให้ผู้อื่นปลูกในแผ่น ด, ดินที่เป็นกัปปิยะเป็นแต่ทุกกตเป็นทุกกตเพราะอะไรก็เอาไว้ทำกูละดูสกรมะเป็นทุกก ฎ, กกกนกกฎในการใช้ให้เขาปลูกทั้งสองนั้นใช้ทีเดียวเขาปลูกแม้มากก็เป็นปัจจิ ต, ตีกับทุกกตและทุกกฎล้วนตัวเดียวให้เขาปลูกในพื้นเป็นกัปปิยะหรืออกัปปิยะด้วยกัปปิยะวหารเพื่อจะบริโภคไม่เป็นอบัต ถ้าใช้สัพยวุหานี่ไม่มีปัญหาเลยปลูกเองในอากัปปิยะปฐวีหรือให้เขาปลูกด้วยความเป็นอากัปปิยะแม้เพื่อเป็นที่รื่นรมเป็นต้นตก็เป็นปจัจจิตีในนี้ท่านไม่ได้แจกไว้ด้วยดีในมหาเถกถาแจกไว้แต่ในมหาปัญจเรีก็แลรดน้ําเองและให้ผู้อื่นรด้วยน้ําที่เป็นอากัปปิยะเป็นปัจจิตีในที่ทั้งปวงรดน้ํานี่ก็ต้องตัวตัทและมีตัวสัตว์หรือเปล่า เพื่อกูรดุสกะและเพื่อบริโภคเป็นทุกกฎด้วยให้เขารดด้วยน้ําเป็นกัปติยะเพื่อกูรดุสกะและเพื่อบริโภคทั้งสองนั้นก็เป็นทุกกฎเป็นทุกกฎเพราะว่าใช้ไปทํำกูรดุสกะนั่เองให้เขารดด้วยกัปติยะโวหารเพื่อจะบริโภคไม่เป็นอาบัตในที่เป็นอาบัตพึงรู้ว่าเป็นอาบัตมากด้วยขาดแห่งฝายน้ำและประโยคมากเถิด ในการเก็บเองและใช้ให้ผู้อื่นเก็บซึ่งดอกไม้เพื่อกูและดุสกะเป็นต้นเพื่อรู้ว่าเป็นทุกกฎและปัญจิตีมากน้อยด้วยนับดอกไม้และประโยชน์และคำบังคับดังก่อนเถิดก็มาดูเรื่องของดอกไม้การร้อยกลองดอกไม้เป็นต้นในการร้อยกลองดอกไม้เป็นต้นเพื่อรู้จักบุคภวิกักก็คือการจัดแจงการทาดอกไม้การทาดอกไม้ให้สาเร็จ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 สำหรับคันธิมังพึงรู้ในดอกอุบลและบัวเป็นต้นมีก้านยาวและดอกไม้อื่นมีขั้วยาวเอาคั้วต่อคั้วหรือว่าก้านต่อก้านถักกลองกระหมวดเข้าชื่อว่าคันธิมังทิสุหรือพิกษุณีกระทำเองแลนะให้ผู้อื่นทำด้วยความเป็นอกักติยะไม่ควรให้ทำด้วยความเป็นสัพติยะเป็นต้นว่าท่านพึงรู้อย่างหนึ่งเมื่อทำอย่างนี้จะพึงงาม ดอกไม้จะไม่เรี่ยายไปเสียอย่างไรพึงทาอย่างนั้นดํานี้ควรอยู่อันนี้ก็เป็นสัาภิยะวัวหานที่ทำให้ไม่ต้องมีโทษมีอบับดเอาได้หรือว่าเปลือกปอเป็นต้นร้อยควบดอกชาตบุตรเป็นต้นให้เป็นระเบียบ ม, มีคั้วข้างเดียวหรือว่าสองข้างชื่อว่าโขบผิดมังทางเปลือกไม้หรือว่าเชื่อกเป็นสองสายแล้วเอาดอกไม้ไม่มีคมั่วเป็นต้นว่าดอกสดาสอดเข้าในสายนั้น พันไปโดยลำดับชื่อว่าขบพิมังด้วยทั้งปวงไม่ควรดังกรเอาเสี้ยนตาลเป็นต้นร้อยในขั้วดอกชาติบุตรหรือในช่องดอกพิกลเป็นต้นที่ไม่มีขั้วดังนี้ชื่อว่าเวทิมังว่าร้อยแทงจะตักหนามลงในท่อนกล้วยแล้วเอาดอกไม้เสียบเข้าไปในหนามนั้นเป็นต้นก็ดีแม้จะปลูกหนามในเพดานธรร ม, มาเพื่อจะเอาไว้ร้อยดอกไม้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 อย่างว่ามานั้นเป็นเวทิมังถอดถุงตุ้งตู้นี้เป็นถอดงเวทิมังนั้นพึงรู้ในพวงดอกไม้และกล่ำดอกไม้เอาได้และเชือกผูกในก้านอุบบนเป็นต้นทําเป็นมัดมัดมัดละแปดแปดเป็นต้นก็ดีดอกอุบลสามเนนถอนขึ้นวางไว้บนบกจะเอาผ้าพันเป็นห่อเข้าก็ดีไม่ควรทักซิจะเอาเปลือกหรือว่าก้านนั้น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 การทําให้เต็มนั้นเพื่อรู้ในกลุ่มระเบียบและแผ่นดอกไม้เถิดเอาพวงดอกไม้วงเจดีหรือว่าต้นโพหรือว่าไพลทีถึงเงื่อนเดิมแล้วให้เกินไปหน่อยนึงชื่อว่าปูริมังขนาดไปวงพระเจดีหรือว่าต้นโพก็ยังเป็นการจัด ก, การทําดอกไม้ประดับดอกไม้ด้วยวงหลายรอบไม่ต้องว่าแค่เลยที่กําหนดเดิมไปนิดเดียวก็ชื่อว่าปูริมังขนะเลยหลายรอบก็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 จะเอาพวงดอกไม้ที่ยาวถึงไปหรือว่าวางไปทีหนึ่งถึงเงื่อนเดิมแล้วให้เสียแก่ที่สุออื่นก็ควรเหมือนกันแะที่สุออื่นนั้นจะทําอย่างนั้นอีกก็ควรวายี่มังหมายถึงทอปักนั้นให้เพิ่งรู้ในขายดอกไม้และแผ่นดอกไม้และรูปทำด้วยดอกไม้เถิดเมื่อทําเป็นขายดอกไม้ในเจดีเป็นทุกกฎทุกตะขายเลย เมื่อทำเป็นขายดอกไม้ในเจดีย์ก็เป็นทุกกฎทุกตะขายเลยแทนดอกไม้แม้คนอื่นเขาทำให้เต็มไว้แล้วจะทอปักเข้าอีกไม่ได้เลยเอาดอกไม้ชื่อว่าโขบผิมังมาทำเป็นรูปช้างรูปม้าก็ตั้งอยู่ในที่ชื่อว่าวายมังทั้งพวงไม่ควรดังก่อนใช่แต่พวงดอกไม้อย่างเดียวแม้พวงแป้งพวงดอกไม้ได้พวกพวงอังกฤษก็เหมือนกัน แม้พิจุและพิกษุณีกระทำเองหรือให้ผู้อื่นทำก็ไม่ควรเพราะพระบัญญัตินี้เป็นสาธารณะจะบูชากล่าวคำเป็นกัปปิยะควรในที่ทั้งปวงปริยายโอภาษนิมิตรกรรมก็ควรแท้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบาปสมาจารย์ฐานท่านแสดงเอาไว้ละเอียดเรื่องของการจัดดอกไม้อาลังต่างพิจุภิจุณีก็ไม่ควรจะไปจัดแต่ว่าจะบูชาได้ตามกําลังตามฐานะ วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออให้ท่านมีศรัทธานในการที่จะศึกษาในการฟังเรื่องของพระวินัยแล้วก็น้อมใจไปนในการที่จะกลับคึกตามมีเจตนาในการจะรักษาตามพระบัญญัติที่ทรงแสดงบัญญัติเอาไว้แล้วก็จะวิรัตในเมื่อมีจิตอกุศลเกิดขึ้นในการที่จะล่วงสุขาบทเหล่านั้นขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามีอินเดียสังวรมีโภชเนมัสตัญยุตตาฌานพลิกยานุโยกแล้วก็ประกอบความเพียรในการที่จะบรรลุอริยรมรรคผลโดยทั่วกนันด้วยเทอญ สาธุสาธุสาธุ